ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องทุกข์สัตย์ในช่วงต่อไปก็ในส่วนที่เรียกว่าเป็นปกินนกทุกข์คือทุกจรซึ่งเราก็เผชิญกันอยู่ตามลักษณะของอารมณ์ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากความรักความชังคือข้อนี้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอคติไว้เพียงสีข่ข้อก็คือลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบกันลำเอียงเพราะกลัวแล้วก็ลำเอียงเพราะร ล, ะลอะลาการทางจิตท่ายังอยู่ภายใต้การครอบนาของกิเลสเหล่านี้ ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็จะเกิดขึ้นกวัน ก, นก่อนก็พูดมาจนถึงอุปายาตคือความขับแคนใจแล้วก็การพลัดพรากจากสัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รักเป็นทุกข์โดยทรงอธิบายเองนะฮะพรุทธเจ้าทรงอธิบายเองว่าความไม่ประสบความไม่พร้พรอมความไม่ร่วม ความไม่ละคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพุถะาอนานนาปรารถนาน่าใครณน่าพอใจหรือดับบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาความผาสุกน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอามาตย์ญาติสาโลหิตอันนี้เรียกว่าการพระพรากจากสัตว์และสังขาร น, นั้นเป็นทีิรักก็เป็นทุกข์คือข้อนี้ลองสังเกตว่า ที่จริงพวกมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตยาสาลหิตมันก็คือรูปเสียงกินรดพุทธะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั่นเองก็ทรงแสดงในสองแนวนแนวรวบคือเป็นตัวตนบุคคลไปเลยแนวแยกคือแยกมาเป็นอยตนาภายในอยตนาภายนอกนะภายนอกหกประการ แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็เน้นไปที่ปธถะพะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยใจเป็นตัวกำหนดอารมณ์นั้นทีนี่ประการหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้แต่มันเกิดไม่ได้ก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจ แต่ก็ไม่ได้ตามที่ต้องการหรือในกรณีที่ได้แล้วต้องพลัดพรากจากไปก็อยู่ในข้ อ, อก่อนแต่ในกรณีเนี้ยมันยังไม่เกิดเพียงแต่เราอยากให้มันเกิดแล้วพอดีมันไม่เกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้ไม่มีไม่เป็นหรือที่จริงก็เป็นความคิดของเราคือถ้าเรากํำกับควบคุมความอยากว่าอะไรควรอยากหรือไม่ควรอยาก ควรอยากได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าทำใจยินดีตามมีตามได้เนี่ยเราจะเห็นว่าความโศกมันจะลดลงเพราะนั้นเรามองไปที่องค์ธรรมถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเรารู้รู้สึกสันโดษคือยินดีตามตามีตามได้จะบ้างความทุกข์ก็จะลดลงโดยธรรมชาติของมันเพราะว่าใจที่ปรารถนาไขวคว้าเนี่ยมันลดลง และพร้อมที่จใจพร้อมที่จะปรับใจให้อยู่ได้ตามสิ่งที่มีมันก็มาเข้าเศรษฐกิจพอเพียงแต่เห็นว่าถ้าเศรษฐกิจไม่พอเพียงในความอยากจะมากและพออยากมากมันก็ตอบสนองไม่ได้สักทีหนึ่งก็ยังโศกอยู่นั้นแหละอย่าไม่พอใจยนั้นแหละได้กำไรตึงเยอะแล้วก็ยังไม่พอใจ แนวคิดปัจจุบันที่ทำให้คนมีอาการทางจิตประสาทและคนเครียดเนี่ยคือเวลาประกอบภารกิจการงานอะไรก็ตามมันจะต้องเป้าไว้สูงแล้วก็พยายามขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าพอไม่บรรลุเป้าก็เป็นเป็นทุกข์ละใคจะเห็นว่าตั ว, ต, วตัวเป้าในเราตั้งเอาเอง แล้วเมื่อเราขับเคลื่อนไปไม่ถึงเป้าเราก็ทุกเองทีนี้ถ้าการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายก็ได้ทุ่มเทสติปัญญากำรมังความรู้ความสามารถกำรมังคนกำรมังเครื่องยนต์กลไกต่างๆเต็มชีแล้วได้มาเท่าไรก็ยินดีตามที่ได้แล้วก็ศึกษาถึง สิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าเพราะ ก, การดำเนินงานในอดีตก็กลายเป็นบทเรียนแต่ผลที่เราสัมผัสเนี่ยก็กลายเป็นสร้างความพอใจให้เราได้เพราะงั้เราปอไ ม, มองในแง่ขององค์ธรรมที่ทรงสอนในภาคจะต้องเจริญเนี่ยมันไปแก้ปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาแล้วนี้จะลดลงโดยธรรมชาติถ้าจิตมีลก เพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าความพอเหมาะพอควรพอประมาณพอดีพอใจอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอุตันธรรมที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมาศาลจนทั้งนอกทนายไม่ได้กรารจงคิดอ่านแก่จนเป็นคนพอรู้จักพอรู้จักอิ่มรู้จักหยุดรู้จักทำใจยินดีตามสมควรแก่กรณีตรงนั้นส่วนพยายามก็พยายามต่อไป พระแม่สันโดด จ, จึงจึงทรงสอนไว้ทั้งสามช่วงช่วงของการแสวงหาช่วงของการได้มาช่วงของการบริโภคใช้สอยถ้าเราปรับใจไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดทุกข์ในแต่ละช่วงแต่ถ้าปรับใจได้มันก็ได้ประโยชน์จากทุกช่วงแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจิตใจของบุคคลที่ยุติ อายุติก็อาจจะยากไปหน่อยนะคือเอาจะว่าลดการอาการไขว้คว้าปรารถนาลงไปแล้วก็ยินดีตามที่มีตามที่ได้ตามที่เป็นและใช้สถานภาพของความมีความเป็นการได้ของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์มนก็สามารถทำอะไรได้เยอะเพราะแนวสันโดษของพระพุทธเจ้านี่ที่จริงก็คือแนวของสมาชีวะ การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบที่จริงก็อยู่ในส่วนของสีละสิขานะเพราะว่าสมาชีวะก็เป็นส่วนของสีละสีขกาเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลักษณะของการรู้เท่าทันอารมณ์ก็คงไม่อื่นไปจากสติสัมจัญญาความพยายามอีกนั่นแหละทำให้เราเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นของหมหาสติปัฏฐานใ น, นสูตรมามันไปเชื่อมโยงอยู่กับ สติสัมปัญญาความเพียรตลอดแต่พวกนี้ต้องเพียรลดเพียรละเพียรบรรเทาเพียรสงบเพียรระงับแต่ถ้าดับได้ในบางอารมณ์ก็ดีในข้อนี้ทรงไขความว่าความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิด อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมตามความปรารถนาข้อนี้ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นในอันนี้ก็เป็นทุกข์เราสังเกตว่าไอ้ความปรารถนาเราปรารถนาเยอะแต่การไม่เกิดเนี่ยมนันเป็นเป้าหมาย ถ้าเราพยายามดำเนินชีวิตไปถูกทางมันก็ยุติความเกิดได้แต่ว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยวุธิภาวะของคนพื้นฐานอินทรีย์บา ร, รมีต่างๆของเราเนี่ยมันไม่ทัดเทียมกันเพราะนักกสอนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นโลเกียธรรมเป็นการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้ประณีตขึ้น ก็เรียวกว่าตบแต่งพบชาติมันประณีตขึ้นมันก็เกิดอยู่แต่ถ้าพบที่เกิดมันประณีตเนี่ยทุกมันจะน้อยสุขมันจะมากเพรา ะ, ะนั้นเราเห็นว่าความสุขมันก็มีระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับพรหมโลกจนถึงระดับมรรคผลนิพพานทั้งหมดกิเลสลดทั้งหมด แล้วปริมาณเขาธรรมะเพิ่มขึ้นทั้งหมดและการปรารถนาความไม่เกิดในที่จริงพระโพธิสัตว์ท่านก็ปรารถนาตั้งแต่เริ่มตั้งความพยายามที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมันก็ไม่ปรารถนาความเกิดหรือแม้แต่ตอนเป็นเจ้าชายทิตถาเสด็จออกพนวดมันก็มุ่งไปสู่การทําลายความความเกิด โดยในช่วงนั้นก็ทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายที่ปรากฏในตัวของเถวทูตเนี่ยมันเป็นผลมาจากความเกิดแต่จะต้องการยุติก็แก้ที่เกิดแต่พอคนก็จริงๆปรากฏว่าเกิดมันก็เป็นผลมาจากสังขารนะขานก็เป็นผลมาจากอริชาพความเกิดมันก็เป็นผลมาจากบุญและบาปผู้แง่ควาเกิดมาจากกรรมและกรรมเองมันก็มาจากราอริชาเกิดในที่สุดก็สรง เข้าถึงกระบวนการของปฏิยาการก็คือกระบวนการของอริยสัจนั่นเองเขาก็รับสั่งต่อไปว่าความปรารถนาเหล่าเนี่ยคือไม่ต้องการเกิดไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายไม่ต้องการรักๆคือเราเราเราไปไขว่คว้าผลโดยเราไม่ทํำลายที่เหตุตัวนี้ก็ส่งขยายไปเรื่อยนะฮะเราจะเห็นว่า ตลอดถึงว่าปรารถนายอมังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกกะปิเทวทุกขโทมนานตุปายาต่ตางๆเนี่ยขอพวกเนี้ยอย่าได้เกิดแก่เราโดยลืมไปว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นผลมันเป็นผลซึ่งเมื่อมีเหตุมันก็ต้องต้องปรากฏโดยธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสูญเสียทุกรูปแบบ มันมาจากเกิดกือย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนถึงปู่เย็นซึ่งเป็นอิสลามนะฮะตอนท่านถูกรถชนเนี่ยท่านพูดคมเดี๋ยถามว่าปู่จะเอาเรื่องอะไรกับคนคนขับรถไหมท่านบอกว่าจะไปโทษคนขับรถไม่ได้เพราะว่าปู่มาตรงนี้เขาจึงชนแต่ปู่ไม่มามันก็ไม่ชน อันนี้ก็คือหลักการทสำคัญนะฮะเพราะว่าปัญหาทั้งหลายนี่มาจากความเกิดความเกิดก็มาจากกรรมกรรมก็มาจากกิเลสคือตราบใดที่พวกนี้ยังอยู่เนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอปรารถนายังไงก็หลีกหนีไม่พ้นแต่ถ้าเรายอมรับว่านี่คื อ, ค, อคือธรรมดาเรียกว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีก็กลายเป็นครู เป็นครูที่สอนสัจจะแห่งชีวิตให้คนได้ใช้ประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความตายรเราเห็นว่าปรากฏแก่เราหรือปรากฏแก่คนอื่น ก, ก็ตามเป็นการสื่อสารหรือสื่อข่าวสารที่ประเสริฐให้เราทราบแต่เรามองจากคนอื่นก็ย้อนกลับมาเรา่ะแม้เราเองก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็อยู่ในกระบวนการเดียวกัน แล้วก็ทําให้เลยไปได้ว่าเอเรจะเบีดเบียนเก่งข่าปทุสราก็ไม่ทํำไรมันไม่ใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรเลยในสุดเราก็มาใส่โรคชั่วคราวแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปตาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยมาฆ่ามาเบียดเบียนมาทะเลาะมาวิวาดแข่งแย่งกันเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาต่อสู้ พยายามดิ้นรนเพื่อครอบครองทรัพย์สมบัติเอาไว้อย่างบันก่อน น, นตัวเลขจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้มีการพูดว่าทรัพย์ ส, สมบัติโดยรวมในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่แก่คนสิบะกูลซึ่งจริงจงมีการพูดมานานแล้วนะแต่ว่าตัวส ก, กูลรู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงแปดสิบเปอร์ซนเพราะานคนนอกนั้นนะ่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ เฉลี่ยกันอยู่ใน20เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเรามองโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่ในโลกซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกพ ร, พร่าพานทาลายแล้วก็ใช้บริโภคใช้เพื่อเป็นผลประโยชน์เนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้มากที่สุดก็อาจจะเกือบแดสเปอร์เซ็นต์ไปบางกันอาจจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเออถือว่ามากที่สุดในอเมริกาเนี่ยแต่ตําบลรมมาชากรเขาน้อย คนประชากรส่วนใหญ่ในโลกมันก็เฉลี่ยกันไปแต่ในสุดคนอเมริกาก็ตายหมดเหมือนกันบริโภคครอบครองทรัพย์สมบัติหมหาศาลยังไงก็ตายหมดมันก็จะได้ความคิดในการใช้ชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปสนใจว่าเราเกิดมาทำไมอะ แต่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อย่างที่สมัยโบราณนั้นพูดเนี่ยเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้จานวนชาวบ้านเนี่ยเขาว่าจะตายทั้งทีเนี่ยต้องให้น้ํามันติดถ้วยจานวนประชาชาบ้านหมายความว่าตัวตายแต่ว่าชื่อเสียงกิตติคุณความดียังมีอยู่ ผลความแก่เองมันก็ลักษณะอย่างนี้เนี่ยม้แต่ความสุขความรับใย ร, ราพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจมันก็จริงมันมันไม่ได้ตัวนั้นเป็นผลเฉยมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยรสรุปเลยว่าสังคเตนะปัญจุ ป, ปทานนคขันธาทุกขาโดยย่อหรือกล่าวโดยสรุปอุปทานนัขันทั้งห้าเนี่ย อุปาทานขันทั้งห้าเนี่เป็นทุกข์นี้ก็ทรงอธิบายขยายความอีกว่ า, วาโดยย่ออุปาทานขคันทั้งหเป็นทุกข์เป็นชนัยอุปาทานอคันทั้งห้าคือรูปเป็นนาธัญญาสังขารวิญญาณโดยย่อเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานอคันทั้งหเป็นทุกข์ดุ ก, ก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัท ทีนี้อุปท า, านาคารหเนี่ยที่จริงมันหมดโลกแล้วนะฮะจะยกเว้นอย่างเดียวคือนิพพานนั่นนั่นเองน<ช>อกนั้นจะสงเคราะห์เข้าในอุปท า, านอาคารทั้งหมดสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายซึ่งประกอบโดยดินน้ำลมไฟอากาศก็คือรูปเวทนาเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไมสุขบ้าง สัญญาก็เป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่งก็เป็นความจำํำพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือปรนปรือจิตหล่อเลี้ยงจิตรักษาจิตเอาไว้สังขารในขันห้าเนี่ยหมายถึงกุศลอกุศลอภิญญากรทั้งหมดคือหมายถึงธรรมะทั้งหมดทั้งเป็นเป็นกุศลอกุศลอภิญญากรนิพพานเป็นวิสังขารนั่นเองวิญญาณก็หมายถึงจิต มันก็ละผลตัวการใหญ่เนี่ยเราจเจนว่าอยู่ที่ตัวสังขารซึ่งไปปรุงจิตถ้าสังขารเหล่านั้นเป็นอกุศลไม่ปรุงจิตในที่นี้ก็คือตัวอุปาทานแต่อุปาทานอย่าลืมนะว่าที่จึงกิเลสตัางหลายมันยึดติดตรงนั้นนหะไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะาอุปาทานเป็นชื่อหนึ่งในหลายๆชื่อที่ทรงใช้เรียกกิเลส เพราะในความเป็นอุปทานเองที่จริงก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่เรียกอุปทานอ่ะแตเรียกกาหะแต่ถ้าเราดูในพระบาลีเนี่ยจะพบว่าตัวกาหะสามนี่จะแสดงมากกว่าเพื่อนที่บาีใช้คำว่าเอตังมามะเอโอมัสสมิเอสโมยตาเอตังมะมะนั้นเป็นของเราเอสโอมัสสมิเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโนตเอสโอมยตานั้นเป็นตัวเป็นตนของเรา เพราาเห็นว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเป็นเป็นนำมาซึ่งปัญหาเยอะถ้าเรารู้สึ ก, กว่าอัตตาเราใหญ่เนี่ยมันใหญ่อะไรตามไปหมดเลยความต้องการปัจจัยสี่นี่มันต้องเพิ่มหมดทุกจุดของความเป็นอัตตาที่ใหญ่เสื้อผ้าก็ต้องพองแพงเครื่องประดับก็ต้องเยอะมากรูราฟุ่ฟ้า ที่อยู่ที่อาศัยการกินการนอนการไปแต่และอย่างเนี่ยโอ้เป็นมหาศาลมากเลยนี้ขยับตัวที้งทรัพยากรถูกพร่าพานทำลายไปเยอะทีนี้อัตตาตัวตนนี่มันมันพูดยากนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการไหลของจิตไปตามกระแสของตัณหามนานะทิฏฐิมันไหลง่ายอะ่ะมอนก็น้าไหลลงจากที่สูงลงต่ำเนี่ยมันไหลง่าย แต่พอทวนพทวนกระแสนี่จะยากมันต้องมีวิธีบริหารการจัดการระบบชนประธานอ ะ, อะไรต่างๆเข้ามาช่วยเยอะแล้วลองสังเกตว่า เ, ออเช่นเขายอมรับนับถือความเป็นตัวตนของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นเนี่ยถ้าสังคมยอมรับนับถือรู้สึกยินดีแล้วรู้สึกปลื้ม ในสถานะของตัวเองทีนี้ต่ อ, อจากนั้นอะไรต่างๆที่มันเสริมตาตาก็จะตามมาเยอะมันจะเกิดตันหามันจะเกิดมานะความตื่นตัวแต่ว่าอุปท า, านที่ทรงใช้บ่อยทรงใช้ไม่ใช่บ่อยนะฮะทรงใช้เป็นเป็นสูตรเนี่ยก็จะมีสี่ข้อในที่ข้อนี้บางทีก็อาจจะเรียกอย่างอื่น คือชื่อนี่อย่าลืมว่าต้องการสื่อสารในคนในขณะนั้นก็เข้าใจเพราะชื่อเป็นสมมติบัญญัติขึ้นเ ข, เ, ขเขาเขาก็ชื่ออย่างนั้นหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเรียกในภาษาอะไรแต่ว่าลักษณะคือสภาวะที่เกิดแก่จิตเนี่ยคือกามุปาทานถือมั่นด้วยอำนาจความใคราความพอใจความยินดี เราเห็นว่าเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภะราคะในขณะเดียวกันก็พร้อมจะพลิกตัวเองเป็นโทสะเพราะเขาก็สืบเนื่องมาจากโมหะเช่นเราอยากได้แล้วเราไม่ได้มันจะเกิดโศกะถ้ามีคนไปขัดขวางการได้มันจะเกิดโทสะแต่ถ้าเราไม่มีกําลังจะต่อต้านไม่มีกําลังจะต่อสู้ เกิดเป็นภาวะยอมจำนวนก็จะรู้สึกขับแค้นคืออุปายาธมันจะขับแค้นเห็นไหมมันพลิกกลับมาเป็นโทรสายในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราได้จริงตามที่เราอยากได้โลภะก็เกิดต่อเดินไปตามกระแสของตัณหาที่ทรงแสดงว่าโโนภวิกาณ์นนรังกาสาักตาตราตร า, ตร า, ตราพินันตินี้มันก็ให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไป ในจิตจะหนัดเพลิดเพลินในในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพลิดเพลินยิ่งกันไปเรื่อยเรืะการตอบสนองอุปาทานเนี่ยคืออย่าลืมว่ามันมีตัณหามา ก, ก่อนเมทนาตัณหาอุปาทานในปฏิจจสมบัทเนี่แล้ว ก, ก็คว้าไปเรื่อยเรยแล้วก็ไม่พอสักทีหนึ่งทีนี้มันก็อุปาทานก็มีสองอย่างคือมีกิเลสเป็นเหตย์ยึดกับมีสิ่งที่ใจไปยึด ไอตัวข้างนอกไม่ค่อยสำคัญอะไรหรอกคือตัวข้างนอกพระอาหารหันต์เองท่านก็สัมผัสทั้งหมดมันก็ไม่อื่นไปจากวัตถุการมคือรู้เสีงยงดินรถผลพระธรรมารมใจเราไปกําหนดด้วยอำนาจของความใคร่มันก็เกิดความใคราแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใคราเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าตัวสิ่งที่เราใครายไอ้ตรงนั้นที่จริงเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ไม่แปลอะไรมันอยู่ที่ใจอะ่ะ แล้วเราก็ปฏิบัติได้อยู่ในชีวิตประจำวันว่ามีเยอะอารมณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประจาวันที่เราไม่มีความยินดียินร้ายก็แสดงว่าโลภะไม่เกิดราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดแต่ว่าอาจจะมีโมหะอยู่คือส่วนใหญ่แล้วเรามองไม่เห็นคุณค่าความจะเป็นเมื่อในการไม่ยินดียินร้ายบางทีมันเกิดจากปัญญา แต่ว่าบางชีมันก็เกิดจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรต่อไปก็เป็นทิ่ถุประทานคือการชือ่อมั่นเรื่องความคิดความเห็นของตัวเองตรงนี้เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่มากเลยจิจินี่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเราไม่ได้มองในแง่ของความจริง เจโน่พูดถึงว่านายกรัฐมนตรีจะต้องไปเยี่ยมจังหวัดที่น้ำท่วมนักพักได้คือถ้าไปเยี่ยมในยิงงานน้อยนะตัวคนนี่พอไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันก็เคลื่อนไหวชา้าแต่ถ้ามีการรายงานมาจากพื้นที่แล้วก็สั่งการไปจากข้างบนจะทำงานได้เต็ที่เพราะจริงๆภาพน้ําไปเห็นก็อยู่ แต่เราไปคิดว่าถ้าไปเยี่ยมแล้วก็มีความสำคัญกว่าว่าเยี่ยมเนี่ยคือจะช่วยเหลือไม่ได้ตลอดอันนี้คือบางทีเราหลงทางจะมีการวินิจฉัยข่าวสารต่างๆสื่อต่างๆมีการกล่าวอ้างว่าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนยิ่งอยู่ในเหตุการณ์ยิ่งไม่เห็นอะไรนะสิ่งที่เห็นนี่มันจะน้อยมากเช่นตัวเตี้ยหน่อยแลวยิ่งแ ย, แย่ใหญ่เลย คือเรามองเห็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งที่เรามองไปแต่นั้นเองแต่ถ้าเราดูรายงานข่าวทางโทรทัศน์เลยแต่เราจะเห็นภาพกว้างไปไกลเลยถึงชิดได้แต่ว่าเพราะอาศัยทิฐิที่เราปักใจฝังใจเออถ้าคุณลงไปภาคสนามแล้วคุณจะช่วยคนได้ไงออาสมมุติว่าลงไปที่จังหวัดนรครแล้วคุณคุณจะรู้ได้ยังไงที่ปัตตานีปเป็นยังไงแล้วก็ต้องใช้การรายงาน เอ้ว่าจริงๆเนี่ยการบัญชาการอยู่ที่ศูนย์ในที่ใดที่หนึ่งเวลานี้ไม่แปลกอะไรเนี่ยมารายงานเข้าวโทรศัพท์มือถือได้ตลอดสั่งการได้ตลอดแล้วก็ช่วยได้กว้างขวางแต่ถ้าเราใช้ทิฏฐิอความถือรันของเราแล้วคิดว่าเราคิดถูกเนี่ยเพราะตามปกติเราไม่ถามไม่ถามว่าเออบริหารยังไงคิดอย่างเงี้ยบริหารยังไง คืเราไม่คิดไม่คิดว่าถึงจุดหนึ่งจริงๆมันต้องมีการบริหารการจัดการการจัดการเนี่ยข้อมูลจะต้องหลากหลายแล้วก็ชัดเจนจึงจะสามารถวินิจฉัยสั่งการอะไรๆ ไ, ได้แล้วก็เหมือนกับกองทัพเนี่ยมันต้องมีเสนาธิการอยู่ฝ่ายห้องปฏิบัติการห้องห้องสั่งการเนี่ยไอ้กลุงผู้ใหญ่มันก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปวิ่งตลอดตลอดเนี่ย คือมาว่าบางทีมันนอกเรื่องเช่นว่าเอานายกไปแจกข้าวสารสมัยกุญชาชายเนี่ยไปแจกข้าวสารไปยืนแจกจุ๋ยวัยอะไรหรอกไอ้คนอื่นเขาแจกทําไมจำเป็นอะไรต้องไปแจกเองเขาเรียกว่าหามเข็มคืองานเล็กอะ่ะเราค่อยคนอื่นช่วยกันแจก ใค้ก็รับผิดชอบแบ่งเบางานกันอันนี้มันก็ต้องมีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดแล้วก็ข้อต่อไปคือศีลัพประุประทานถือมั่นด้วยรูปแบบพิติกรรมต่างๆศีลวัดต่างๆรูปแบบต่างๆตามปกติล้วจะยึดอยู่เยอะนะฮะคืออะไรก็ตามเนี่ยเราใช้เท่านั้นไม่ได้เชนว่าต้อง สัมมาอรหังเท่านั้นต้องพุโทโธเท่านั้นต้องยุบหนอพองหนอเท่านั้นหรือต้องดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันเท่านั้นไม่ได้หรอกถ้าเท่านั้นก็คือศีลปฏิปุปทานถึงมั่นด้ศีลบัตรโดยการปฏิบัติมันเป็นกุศลจริงแต่ว่าบรรยุตมั่นถึอมัน่นแล้วมันจะเกิดโทสะเมื่อคนอื่นไม่ทำอย่างที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วเกิดโลภะก็สะแสวงหาพวกใครทาอย่างเรา แต่ในขณะเดียวกันที่เราลืมเนี่ยคือเราไปปฏิเสธคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามา่ได้สอนเท่านั้นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานสอนไว้ทั้ง 40, 40อารมณ์วิปัสสนานี่เยอะเลยนะฮะถ้าย่อยแล้วทั้ง70กว่าแต่ถ้ารวมกลุ่มก็6 6กลุ่มด้วยกันเพราะงั้นไอแนวสีลับพัตตะ ปตูปาทานเนี่ยถือมัน่นด้วยศีลวัดโดยการบิบัติต่างๆอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องในสุดก็ฉันเท่านั้นคือศูนย์แห่งความถูกต้องคนอื่นไม่ถูกต้องก็กลายเป็นเป็นทุกนะฮะคนไม่เห็นตามเราก็น้อยใจเสียใจอย่างความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ย ว่าถ้าเราเป็นเป็นพุทธคนอืนต้องเป็นพุทธไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใน ไ, ได้เกี่ยวอะไรคือคุณทําดีไมล่ล่ะคุณทําดีคุณนับถือศาสนาอะไรก็ได้อย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นทำประโยชน์แกตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นนับถือศาสนาอะไรก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นโดยทิ่ถุกปาทานกสิะระปราทานมันจะยึดติดในรูปแบบ แล้วก็จะปัจจัยผ่องใจอย่อางนั้นในที่สุดมันก็เป็นทุกข์อ่ะเช่นเช่นเช่นตัวเนี้ยยางสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเบนาตาเนี่ยเป็นสมาธิแต่ทีนี้ถ้าเราคิดต้องการมันเที่ยงนีย่ยุ่งตายแล้วเอย่างเดียวนี่ก็ยุ่งแนวต้งองการในมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิ ชีวิปลาดคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากกฎของความเป็นจริงว่าความจริงมันไม่มีไสิ่งที่เป็นอย่างนั้นน่ยมันไม่มีพอเราอยากให้มีผมก็ฝืกนกติธรรมดาเนี่ยเช่นบางครั้งบางคราวที่เราอะไรทําสัญญกรรมปฏิกันทําก็ทําเธอแต่ยังไงมันก็แก่ นะอาจจะดึงตรงนั้นดึงตรงนี้ดึตงตรงโ น, น้นแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเ ร, เราแก้ไขไม่ได้ราฝืนตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่ไปยึดติดอะไรมากเกินไปเราจะหาประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสูญเสียทั้งหลายนี่ทุกทั้งหลายที่ทรงแสดงทั้งหมดเยนะฮะโดยเช่นว่าทรงนำมาทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้ตอนต้น นะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความสุขความร่ไรวยน้พันความทุกข์ความเสียใจความขัดแย้งใจออกมาหมดออกมาหมดเลยถ้าเราไปยึดแล้วเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะสามารถผ่อนคลายสามารถบรรเทาอะไรลงไปได้แล้วก็อัตว่าทุปาทานถือว่าตนไปอย่างนั้นมีตัวมีตนถาวรยังอยู่ในนี้ก็แนวที่จิตนะฮนะ หรือบางทีไปให้ความสําคัญแก่ตัวเองจนถึงก็หลงตัวเองตัวเองกลายเป็นศูนย์ของความถูกต้องอย่างอื่นกลายเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องอย่างวันนี้คณะกรรมาการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็ยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสาศนา คือเขาก็คิดอย่างนั้นน่ยแต่ว่าเราถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไงซึง่งการอุปธรรมคุ้มครองเนี่ยมันเมื่อก่อนเขาใช้ธัมุนบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าบางทีก็อุปธรรมอย่างสมัยการที่หนึ่งเนี่ยทรงใช้คำอุปธรรมหรือบางทีก็เรียกว่าทรมนบำรุงทีนี้คำเหล่านี้เราต้องชัดเจน โดยเฉกรอบของคําว่าพระพุทธศาสนาซึ่งจะถูกอุปถัมภ์และคุ้มครองเนี่ยเราต้องมองให้เห็นเต็มที่เต็มพื้นที่ของคําว่าพระพุทธศาสนาพอเต็มพื้นที่มันก็ต้องนึกถึงศาสนบุคคลคือศาสนาต้องนึกถึงศาสดานึกถึงศาสนาธรรมนึกถึงศาสนบุคคลนึกถึงศาสนสถานนึกถึงศาสนาพิธีกรอบมันจะใหญ่ าบางคนสุด ท, ท้ายปรากฏว่าพระราชบัญญัติมันคุมไม่ถึงพระคุมไม่ถึงมัเกิดเกิดเป็นสุญญากาศเกิดเป็นจุดบอดในภาคของการบริหารพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เาก็มองในลักษณะอย่างนั้นคือคือเป็นความคิดที่หลงตัวเองของทางบ้านเมืองเข้าใจว่าตัวเองคือศูนย์ของความถูกต้องพระราชบัญญัติเราสีฉบับจะมีลักษณะอย่างนั้ น, ๆๆนันแน่ มันสะท้อนโครงสร้างความคิดของสังคมแห่งยุคสมัยเช่นพศ2445คือรศ121เนี่ยมันกค็คือคือคิดแบบสมัยนั้นแะแบบสมัยการที่ห้าเนี่ยคือเข้าใจว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่บริหารอยู่ในขณะนั้นนยอดเยี่ยมที่สุดเพราะคณะนนสงฆ์ต้องเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับพวกสารัฐอเมริกาที่เอายุ่งกัไปหมดเลย คนนั้นต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นถ้าไม่เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นถือว่าเป็นการผดเด็จการเป็นการริตรอนสิทธิมนุษยชนนะเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อะไรแต่ละว่าไปเรื่ยฮะคือเอาตัวเองเป็นมาตรฐานโดยไม่นึกถึงภูมิหลังของแต่ละชาติเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันอันนี้ก็คือคือแนวของ ความคิดที่มันเป็นเป็นลักษณะของอุปาทานคือยึดยึดติดยึดมันม่นถือมั่นตนเป็นศูนย์ของความถรกต้อง้งพอมาถึงเรา จ, จะเห็นว่าพอแปดสิบสี่ก็คิดแบบสมัยจอมพลป๋าเอาโครงสร้างของที่ที่ตัวเองมีเนี่ยมาล้อโครงสร้างเลยมีสังกนายกมีสังวนตรีมีสังกษีภาไปกันใหญ่เลยคือว่าพระนี่เป็นที่จริงเป็นบุคคลไม่มาก เราต้องมองว่าตั้งแต่แปดิสี่เป็นต้นมาเนี่ยพระไม่เคยเพิ่มแล้วพอพระราชบัญญัติก็เกี่ยวกับการไปรูปการศึกษารัฐธรมนูญกำหนดจะมีการสาภาคบังคับเนี่ยเราจะรู้จำนวนพระจะลดเพราะประชากรสี่สิบประชากรสิบแปดล้านพระก็สามแสนกว่าว่าแต่สามแสนกว่ากว่าตัวเลขที่นิ่งเนี่ย ตัวเลขที่นิ่งอยู่นานสี่ห้าปีหกปีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณทักสองแสนอซก็กว่านี่ตัวตัวเลขที่มันหมุนเฉยๆไหลผ่านไหลผ่านเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนอย่างมากก็สามเดือนฮนะก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนแค่สองแสนคนแค่สองแสน แล้วเราจะไปตั้งอะไรเป็นรุงรังพันเตไปเลยก็ทํำมายุ่งยากยุ่งยากในการนํำสื่อพระพุทธศาสนาพอมาถึงศูนย์ห้าเราจะเห็นว่าเขาคิดแบบจมพนสนิทอ่ะพอสามห้ามันก็คิดแบบยุคสมัยของกุอนานันปัญญารชุนพอที่กูมามาถึงยุคนี้ก็อีกแหละก็ไปล้อเรียนเขาหมดเลยล้อเรียนเขาหมดเอามาเยอะเลยทีนี้โครงสร้างกลายเป็นรุงรังพันเตไป นั่นก็เป็นทั้งทิฏฐุปาทานแล้วก็เป็นลัทธนักรสะของศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานในขณะเดียวกันก็เป็นการมุปาทานคืออยากให้เป็นอย่างที่ตัวเองเขียนมานี่แหละมาก็ติงเขาบอกว่าปู้กรรมดิการผูนุกรรมดิการในยกร่างเนี่ยมันเหมือนกับมาเป็นเซนเนอร์มวยโดยไม่เคยผ่านการต่อยมวยมาคุณไม่เคยขึ้นเวทีหรอก คุณไม่เข้าใจว่าภาคสนามจริงๆเนี่ยทําอย่างนี้ไม่ได้แร้วมันไม่มีงานด้วยไม่มีคนด้วยไม่มีความจําเป็นด้วยเจนว่าพระจะต้องมีคณะวินัยทอนหรืออะไรต่างๆขึ้นมาคล้ายๆกับสารคล้ายๆกับอิจการนะฮะคือล้อเรียนอย่างเงี้ยล้อเรียนครงสรัง่งนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะเนี่ยล้อเรียนมาหมดเลยบุคลากรนิดเดียวนะฮะ จังหวัดเล็กๆยังไม่ได้เลยพระเนี่ยจังหวัดในประเทศไทยนี่มากกว่าพระทังนั้นราษดรเนี่ยตัวเลขของเราก็คล้ายๆกับตำํำรวจแต่ตำํำรวจคนนิ่งนะฮะตำรวจคนนิ่งของเราไม่นิ่งตํารวจเดี๋ยวเขาสามแสนป่าก็สามแสนป่าอย่างงี้ยนะแต่ก็เราไม่นะก็เรามันเปลี่ยนแปลงตัวเลขมันเปลี่ยนอยู่ตลอด ทีนี้พอพอเสร็จแล้วพอไปประชุมก็เรียกว่าอะไรประชาพิจารณ์หรือสังกระพิจารณ์พวกก็ติงอ่ะพวกก็ค้านคือคือคนที่ค้านส่วนใหญ่จะเป็นพระพระก็ะอยู่ภาคสนามเขารู้ไว้ที่เธอเขียนเนี่ยมันชาบ้านเขียนมีพระรูปหนึ่งก็พูดว่าคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำเหมือนก็โบโงศพอะ่ะ ของศพนี่คนคนทำไม่ได้ใช้ก็แต่คนใช้ก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวมีเยอะนะฮะในลนักษณะอย่างเงี้ยเพราะงั้นแนวของอุปาทานเนี่ยมันจึงสร้างความทุกข์มาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะพู้ตัณหามาณทิฏฐิคือที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่ยนะทั้งตัณหามาณทิฏฐิทั้งอุปาทานสี่หรืออุปาทาน อ, อสามก็ตามกหะสามก็ตามก็ก็เรื่องเดียวกัน กิสรุปแล้วว่ามันไปยึดโยงอยู่กับโลภะโทสะโมหะเพันพวกนี้มันมันเป็นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือหรือว่าจะไปเอาตัณหาสามก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเาะทรงทรงสอนให้เห็นว่าถ้าเราต้องการลดทุกข์เนี่ยมันไม่ประมันไม่ต้องไปยุ่งกับตัวทุกข์หรอกมันไปแก้ที่ตัวสมุทัยในเหตุเกิดของทุกข์ ปณูปทานเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโพธิสมุทัยแต่ว่าใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นน่ยในขันทั้งหาเนี่ยตัวขันห้ามันเป็นทุกขสัตว์แต่ไมยะทุกขสัตว์ทั้งหมดสังขารเนี่ยเป็นเป็นเป็นได้ทั้งสามอริยสัจเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งสมุทัยเป็นทั้งมรรคอภิสังขารก็เป็นนิโรธ นิโรธจึงจึงจงจึงไม่ใช่ขันห้านะเขาเรียกขันนาวิมุตต์คือพ้นจากขันห้าไปแต่วชาชยาของนิโรธเนี่ยที่จริงมันก็เราก็สัมผัสในชีวิตประจำวันได้ความสุขความสงบความเยือกเย็นทั้งหลายเนี่ยเราก็สัมผัสได้เท่าที่สัมผัสได้ในข้อนี้ทรงทรงไขความเองหมายความว่ามีพระประสงค์จะใช้คำนี้หมายถึงอย่างนี้ ทีนี้ถ้าเราเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นนิปริยายถ้าชาติเราต้องไปอย่างเนี้ยสราก็ต้องไป็นอย่างเนี้นยมรนะก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยโสกะมันไม่มีใครที่จะเศร้าโศกเพราะการคนที่เราไม่ชอบตายไปอ่ะมันไม่มีใครเศร้าโศกหรอกเพราะอะไรยการเศร้าโศกจึงมาจากราคะกับโลภะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเราถ้าหากว่าเรารักยริง ในขณะที่จริงอยู่เนี่ยมันไม่เกิดโทสะหรอกแต่แสดงว่าถ้าเกิดโทสะก็หมายความว่ารักมันจางไปคลายไปก็ทำให้เกิดโทสะแต่นั้นการบริหารจริงๆคือการทำความก้าใจจริงๆก็คือทายังไงจะลดตัณหามานตาิทิฏฐิลงไป เพราะว่าพวกนี้เป็นปปัญจะธทมคือธรรมะที่ทําให้เราเนิ่นช้าสูญเสียเวลาอยู่เยอะคไปไขว้ด้า น, นของเราของเราเนี่ยตรงเนี้บางทีนี่ทรงใช้คำสองคาอัตตาอัตตนิยาหรืออาหารการ ม, มังการอีสั้นก็ไปอีกก็หมายความว่าถ้าเราลดอาหางการคือความรู้สึกเป็นเราลงไปหน่อย ลดมาังการคือความรู้สึกเป็นของเรานะของเรานี่มันพลอยคว้าท้งยึดมั่นทางอดีตอนาคตปัจจุบันของเรานี่ยุ่งมากละให้ลองสังเกตว่าใจที่สายไปเป็นทุกข์วิตกกังวลเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของเราชันว่าสามีตายไปตั้งหลายปีแล้ว ปัญญาทำใจไม่ได้พอพูดถึงร้องไห้ทุกทีนักแสดงเป็นเรื่องอนาคตไอ้เรื่องอดีตอะมันไกลอะแต่ไม่แก้ไขไม่ได้บางทีก็หวัน่นวิตกกังวลห่วงใยนะสามีไปต่างประเทศปัญญาไปต่างประเทศลูกไปต่างประเทศเอา้าเป็นห่วงใววิตกกังวลไอ้คนเหล่านั้นก็อยู่ตรงไหนเข า, ามไม่รู้แต่เราก็เป็นทุกข์ทีบางทีมันก็เป็นเรื่องปัจจุบันขณะนั้นๆ แล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรก็ได้อย่างเวลนี้เราเห็นได้ชัดนะว่าสังคมเราในสิ้นเปลืองเงินไปเพราะโทรศัพท์มือถือนลยเยอะโทรแช็คกันแม่แต่เด็กวัดเด็กกอตมาที่ช่วยขับรถไปไหนมาไหนต่างๆนี่โอ้มีโทรศัพท์เข้าเยอะเลยวนั้นในขณะที่แกขับรถไปเนี่ยเลยต้องบอกแกบอกเออเวลาเธอรับโทรศัพท์เนี๋ยฉันสยองนะมันกําลังขับรถ เ, เร็วๆอยู่แล้วก็ไปคู่โทรศัพท์เนี่ย ก็รู้สึกว่าค่อนข้างรู้สึกตัวตอนนี้ถึงว่าแม้จะโทรมาก็บอกเขาบอกว่าค่อยคุยอันนี้คือเราจะเห็นว่าที่จริงมันแสดงถึงจิตที่ไปยึดมั่นถรือมั่นอะไรมากเกินไปแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปในสุขกายเป็นวิตกกังวลเครียดลูกออกจากโรงเรียนโทรเช็คตลอดลูกก็ต้องตรวรายงานตลอดใจก็ไม่สงบ ว่ไในเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่จริงมันตอบสนองน้องกิเลสมนุษย์นะฮะลองสังเกตตอบสนองกิเลสมนุษย์มนุษย์อยากได้เยอะมากโทรศัพท์เลยเนี่ยเขาเขาล่าใฟังนะฮะมีอะไรก็ไม่รู้หลายเอื่องค่อยอ่านหนังสือฟิมโอ้ไอ้นี่มันเหยื่อเหยื่อล่ามนุษย์เลย <laughs> เพราะว่าแสดงว่าเขาเข้าใจถึงจิตวิทยามวลชนว่าเป็นธาตุของตัณหา อยากเป็นของเราของเราของเรานี่ของเราเยอะเลยรุงลังไปเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นของเราของเราของเราก็ว่ากันไปก็ปล่อยคว้าไปเรื่อยๆเพราะนับใดที่อาการเหล่านี้ยังมีอยู่มากเนี่ยเราไปลดทุกไม่ได้ครับเพราะทุกข์จะต้องมีไว้เพื่อกําหนดรู้นะทุกข์มีไว้เพื่อกําหนดรู้เท่านั้นเองหรือเราจะทําอย่างอื่น่ะเข้าไม่ได้ว่า ธรมธรมะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ลงพน้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกก็มีปัญญารู้เท่าทานันรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักลดรู้จักละรู้จักบรรเทาไปตามสมควรแก่กันนีทั้งฟังทั้หลายเสียงธรรมจากมหาทยาัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเถึงต่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูลรณาธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี